ครัก่อนจะเริ่มเนติบุคคลนะครับก็อยากจะกล่าวเปลี่ยนถามพระคุณเจ้าเรื่องของอสถิติฐานที่เกี่ยวกับเรื่องของเนติบุคคลนะครับที่สถิติฐานแสดงว่าเป็นการอบรมอินรี่ห้าด้วยจะเป็นลักษณะของลักษณะหาระใช่ไหมครับครั้นี้จะมีความแตกต่างกันอย่างไรไหมครับในระหว่างที่ อบรมสติปัฏฐานเนี่ยจะเป็นการอบรมอินทรีห้าไปด้วยกันทั้งหมดเลยหรือว่าเป็นการแยกอบรมแล้วก็ขณะที่ฟังธรรมะขณะนี้เป็นการอบรมอินทรีห้าอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยหรือเปลานะ่าครในสติปัฏฐานเนี่ยถ้าเราเลึกถึงพระพุทธพจน์ที่พระองค์แสดงว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมา น, นะกำจัดก็มาจากคำว่าวินัยวินัยเนี่ยแล้วแต่นะถ้ามัช ม, มูลปริยสูตรแปลว่าแนะนำนะในมูลปริยสูตรที่เราเรียนเมื่อวานเนี่ยวินัยเนี่ยรากศัพท์เหมือนกันแต่แปลว่าแนะนำแต่ในสติปทานแปลว่ากำจัดจริงก็คือสิ่งเดียวกันคำว่ามีความเพียรนั้นเป็นชื่อของสติวิริยินทรี มีสัมปชัญญะเป็นชื่อของปัญญนซีมีสติก็สตินซีกำจัดตัวนี้ท่านบอกว่าสมาทินซีก็ไอินซีทั้งห้าประการเนี่ยนะบุคคลผู้เจริญด้วยอำนาจของฉันทะหรือศรัทธาเป็นหลักจึงจัดเจริญได้ เพราะนั้นคุณธรรมเหล่านี้เป็นข้อเป็นตัวปฏิบัติเนี่ยนะคุณธรรมที่เป็นตัวปฏิบัติในสติปัฏฐานว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเพราะฉะนั้นคำว่ามีความเพียรก็คือมีวิริยินทรีย์มีสัมปชัญญะก็คือมีปัญทซียมีสติก็คือสตินเซียมีสมาธิก็คือสมาธินเซิเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวสติปัฏฐาน คือองค์ประกอบคือมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัตเนี่ยเรียกว่าองค์ประกอบของสติประธานเพราะว่าถ้าถ้าเป็นการเจริญสติประธานต้องเป็นหลักอย่างนี้ผู้ที่เจริญสติประธานได้อย่างต่อเนื่องก็คือผู้ที่เจริญอินทรี่ห้ประการนันะศรัทธาวิริยะสติสมาธิและก็ปัญญาถ้าเชื่อมโดยอัฏฐานั้นวิริยินทรีย์คืออะไร สัมมปาทานสีปัญญสีก็เป็นการพิจารณาเพื่อให้รู้อริยศาสสีสตินสีก็กายเวทนาปิด จ, จิตธ ร, รมเป็นต้นเรียกวสติปฐานสผู้ที่มีศรัทธาก็คือมีโสตาปฏิยังฆะธรรมเป็นต้นมั้นถ้ามีสติปฐานสีสัมมปาทานสีฌาน4ีเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ก็คือเจริญโพธิปัจจัยธรรม ธรรมที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้อยู่แล้วเนี่ยนะอันนี้พระเป็นคุณธรรมที่ทปฏิบัติขึ้นส่วนอารมณ์ของสิ่งเหล่านี้ก็คืออะไรทั้งหมดนั้นก็คือการพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมะหมายถึงการพิจารณาขันธานั่นเองพันธ์เชื่อมตามลักษณะหาระก็จะเป็นแบบนี้พันธ์กล่าวจุดใดจุดหนึ่งก็ชื่อว่ากล่าวที่เหลือทั้งหมดแล้วเนี่ย ตอนศึกษาตอนฟังนี่จะเป็นการเริ่มอบรมอินทรีย์ด้วยหรือเปล่าครับก็เป็นการเริ่มอบรมสัตทินรียทีนี้ผู้ที่ฟังนั้นอ่ะถ้าเงี่ยโสตรลงฟังก็ชื่อว่ามีอุปนิสัยเพราะนั้นผู้ที่เงี่ยโสดลงฟังก็อยู่ที่ว่าหนึ่งถึงยา น, นวิปปยุทธก็ได้สัตทินรียก่อนละนะนะถึงตอนที่เงี่ยโสตรลงซองนะก็ได้สัตทินรีทีนี้ถ้าฟังแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจตามคําสอนอันนั้นก็เป็นปัญญินรีย นะพันเขาก็มีความภาพเพียรมากอันนี้ก็เป็นวิริยนทรีย์นนั้เขาก็มีสติเนี่ยนะคำว่าสติอันนี้ก็คือไม่เลอะเลือนไม่หลงลืมเป็นต้นอันนี้ก็เป็นสตินีีก็ความสงบระดับนี้ก็ตามสมควรนี่นะอันนั้นก็เป็นสมาธินียีสมา อ, อินรีเหล่านี้เนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมก็ต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนว่าเป็นการเจริญเพื่อแทงตลอดโลกุตรธรรม ให้ให้เป็นปการปฏิบัติธรรมเพื่อสมควรแก่โลกุตรธรรมคือการเจริญพระธรรมในพระาศาสนานี่นะจุดมุ่งหมายก็มีชัดเจนใช่ไหมเพื่อการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนั่นนะก็การเจริญสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาหรือเจริญคุณธรรมใดก็ตามก็มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคือการบรรลุมรรคผลหรือที่เรียกว่าแทงตลอดอริยสัจ ที่นิยานในการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยโดยกลุ่มใหญ่ๆมีอยู่สองยานด้วยกันอย่างแรกเรียกว่าอนุโพธยานยานที่รู้โดยลำดับอย่างที่สองเรียกว่าปฏิเวทยานยานที่แทงตลอดอริยสัจในช่วงการฟังการเรียนรู้การท่องบนสาธยายการทรงจำการพิจารณาทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่าอนุโพธยานเป็นยานที่อบรมเพื่อบรรลุอริยสัจ เมื่อใดที่บรรลุอริยศาสตร์เรียกว่าปฏิเวทยานเพราะฉะนั้นขั้นตอนนับตั้งแต่การฟังเป็นต้นก็ชื่อว่าหนึ่งในจํานวนนั้นที่จะทําให้ตรัสรู้เพราะะฉนั้นถ้าเร า, เาพิจารณาโดยสภาพที่เป็นจริงแล้วเนี่ยโดยเทียบท่าอริยสาวกสมัยพุทธกาลเนี่ยนะท่านเหล่านั้นการเจริญกับการฟังของท่านสลับคร่าคร่าวกันไปตอนเช้าท่านก็ฟังธรรมนะหลังจากกลับจากบินทบาท ท่านก็จะขอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าขอกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าตอนเย็นพอฟังธรรมเสร็จก็ไปหลีกเร้นเย็นเย็นก็มาฟังใหม่มาสอบถามใหม่ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ก็เลยไม่รู้ว่าอะไรก่อนอะไรเพราะว่าตอนเช้าก็ฟังตอนกลางวันก็ปฏิบัติใช่ไหมตอนเย็นก็ฟังตอนกลางคืนก็เจริญต่อตอนเช้ามาก็ฟังอีกกลางวันก็ปฏิบัติตอนเย็นก็ถามต่อแล้วก็เย็นอย่างเงี้ยอะไรก่อนอะไรละครนี้ มันถ้าเรายกไปให้อันใดอันหนึ่งยิ่งกว่าอันหนึ่งก็คงไม่เหมาะเพราะว่าพระองค์สันเสริญทั้งห้าประการนะทั้งตามวิมุตตายตนาสันเสริญทั้งการฟังก็สันเสริญการแสดงก็สันเสริญการสาธยายก็สันเสริญการตึกก็สันเสริญการเจริญกรรมฐานก็สันเสริญทีนี้ถ้าเราไปให้ความสําคัญอันใดอันหนึ่งเกินไปก็จะเสียพระธรรมหมวดอื่นๆเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยนะถ้า ผู้ที่มีการฟังเงี่ยโสดพิจารณาตามธรรมที่ธรรมะตรัสไว้ดีแล้วแสดงไว้ดีแล้วนั้นเขาก็สามารถบรรลุมา ก, ก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะต้องไปปฏิบัติที่ไหนไหมถ้าเขาฟังแล้วบรรลุเลย น, นะก็คือเขาสามารถเจริญหรืออ บ, บ ร, รมอินทรีย์ห้าตอนนั้นได้เลยแต่บางท่านก็บรรลุด้วยการหลี่ยร้นเป็นต้นเนี่ยนะถ้าว่าท่านสามารถอ บ, บ ร, รมเจริญอินทรีย์ห้าตอนที่ท่านหลี่ยรัร้นการตรัสรู้ธรรมนั้น อินทรีย์อย่างเดียวไม่สามารถบรรลุได้หรอกอินทรีย์ทั้ง5ประการแล้วก็อินทรีย์เฉพาะถ้าหยุดแค่5้าก็ไม่ได้โพธิปัจจะธรรมต้องประชุมกันเพราะฉะนั้นโดยวิปัสนาญาณที่เรียกว่าอนุโลมมายานก็อนุโลมตามโพธิปัจจะธรรมอยู่แล้วเพรา ะ, ะนันเราไม่สามารถที่จะบอกว่าอันนี้ดีกว่าอันนั่นอันนั่นดีกว่าอัน น, น, น, นี้เพราะว่าพราะองค์ตรัสรวมรวมสรรเสริญความไม่ประมาท เพราะธรรมะกุศลธรรมเหล่านี้ทั้งมวลรวมอยู่ลงด้วยความไม่ประมาทบางแห่งก็ใช้อยู่ว่าหิริกะโอตะปะเนี่ยนะฮิริโอตะปะก็รวมความเหล่านี้เอาไว้ทั้งหมดนะก็เลยยากที่จะไปกล่าวชี้ชัดอันใดอันหนึ่งจนเกินไปแต่ที่เรามายกพูดเป็นบางส่วนบางส่วนเนี่ยนะโดยทั่วๆไปแล้วการแสดงพระสูตรเนี่ยเอาอัธยาสายเวนยสัตเป็นประมาณ น, นะเพราะว่าพระสู่ทุกสูตรที่พระองค์แสดง หลายหมื่นสูตรในพระไตรปิฎกเนี่ย น, นะในหลายหมื่นสูตรนั้นแต่ละสูตรก็มีวิมุตติรสคือหมายความว่าฟังแล้วปฏิบัติตามแล้วบรรลุมรรคผลได้จริงทุกสูตรเลยทีนี้ของเราทั้งหลายในยุคนี้ก็เป็นการเรียกว่าศึกษาบแบบรวบรวมมาแล้วเนี่ยนะเอาบางทีก็อย่างสมมุติพระองค์มีพระชนอยู่ตลอด45 000. พันษาแสดงคำสี่พรรษาเราแทบจะรู้ได้น้อยมากว่าสูตรไหนแสดงในภรษาไหน เพราะเรามาเรียนฆระกันไปหมดเลยถามว่าที่คระเนี่ยก็ด้วยเหตุผลที่พระอนุนเป็นต้นท่านมาเรียบเรียงเพราะถ้าไปเรียบเรียงทรงจําแบบพระอนุนเลยเนี่ยเราคงไม่มีปัญญาอาจจะเรียนได้ไม่กี่สุดเพราะมัวแต่จําวันเดือนปีนี่ก็แย่ yeah, แล้วนะจำวันเดือนปีแค่ประวัติพระพุทธเจ้าเรายังมาจําไม่ค่อยจะได้เลยนะจะ ก, กล่าวไปลายถึงวันเดือนปีมีใครที่ไหนอะไรองค์ประกอบขนาดนั้นก็คงยากเพราะฉะนั้นก็ เนติปรกรณเนี่ยนะโดยเฉพาะลักษณะหาระเนี่ยช่วยทําให้เราเข้าใจอะไรได้เยอะเนี่ยนะว่ากล่าวอันหนึ่งก็ชื่อว่ากล่าวอันหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกล่าวว่าพระธรรมแต่ละแห่งไม่มีความสมบูรณ์ท่านอุปมาเหมือนกับว่ามีจระเข้ตัวหนึ่งลงอยู่ในน้ํามีใครคนใดคนหนึ่งไปชี้ให้เห็นหลังจระเข้เนี่ยนะเรียกว่าชี้จระเข้ทั้งตัวหรือไม่เชื่อว่าชี้ทั้งหมดไหม เราเห็นบ้านเนี่ยเห็นแค่อะไรแค่อีกฝั่งหนึ่งนะชื่อว่าเห็นบ้านไหมก็ชื่อว่าเห็นก็เห็นแต่เห็นแต่หน้าเนี่ยนะก็ชื่อว่าเห็นทั้งตัวไหมเพราะฉะนั้นอย่ากละอ่าอยา่าเรียกว่าปฏิเสธอันใดอันหนึ่งไม่ได้ถ้าชี้อันหนึ่งก็เท่ากับชี้หมดแล้วเหมือนกับชี้ให้ดูท้องฟ้าเนี่ยนะอย่าไปชี้ว่าไอ้ทําไมชี้ท้องฟ้าได้ไม่ทุกส่วนหรือชี้ให้ดูทะเลพระธรรมที่พระองค์สแสดงเนี่ยนะที่ชี้ก็มีวัตถุประสงค์ที่ ชัดเจนท่านพระธรรมแต่ละแห่งเรากล่าวว่าไม่สมบูรณ์ไม่ได้เพียงแต่ตาเราไม่ดีไม่ยอมไม่เห็นอย่างที่ท่านชี้เราก็เลยบอกว่าท่านชี้ไม่พอเนี่ยนะบางกรณีบางท่านก็ดีไม่ดีถ้าถ้าพูดไม่ดีเหมือนกับตำหนิพระพุทธเจ้าว่าพระองค์แสดงธรรมไม่ดีพอนะไม่ดีพอหรือเราเข้าใจไม่พอก็ไม่ทราบแต่อย่าลืมว่าธรรมะเหล่านี้ ขณะที่ก in ุศลธรรมเกิดขึ้นเนี่ยนะเฉพาะหากุศลเนี่ยเจตสิกเกิดน้อยที่สุดเท่าไหร่เราก็มาดูเนีนะพันในจิตตุปาทกกันเนี่ยนะท่านก็แสดงโดยอินทรีย์โดยพระโดยอะไรอยู่แล้วโดยมรรคอยู่แล้วซึ่งก็โดยสภาวะนี้ไม่ได้ขัดอะไรกันเนก็เรียกชื่อไปต่างๆนานาไปแต่ที่สําคัญที่สุดนี่ว่ากุศลเราทำเหล่านี้มีอะไรเป็นอารมณ์ให้เอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์นะเช่นว่า กุลธรรมทั้งหลายที่มีรูปขันเป็นอารมณ์เนี่ยนะเป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้ถ้ามีรูปขันเป็นอารมณ์ใช่ไหมถ้าเป็นสมถะเช่นมณสิการในแง่ปฏิกูลหรือมณสิการ ใ, ในแง่ธาตุนะนะในแง่ปฏิกูลก็เป็นกลุ่มกายยคตาสติใช่ไหมซึ่งตรงๆก็คือเป็นบริขารของกายานุปัสสนาหรือกลุ่มธาตุธาตุก็คือกลุ่มกายยคตาสติก็คือบริขารของกายานุปัสสนาอีกนั่นแหละ ทัานถ้ามานาสิการรูปอันนั้นเนี่ยแล้วมานาสิการต่อด้วยกสินอันนั้นก็เป็นสมถะตรงตรงถ้ามานสิการรูปประคันอันนั้นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นต้นหรือพิจารณาโดยเหตุเกิดความดับอศาศะทาอาทีนวะสามารถแทงตลอดนิสรณะได้อันนั้นก็เป็นวิปัสนาทั้งสมถาวิปัสสนานี้พระผู้มีพระภาคก็สอนทั้งสองประการเนี่ยนะไม่ได้ปฏิเสธอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเพระองค์แสดงทั้งสองอย่าง ทีนี้ถ้าบางสูตรเนี่ยนะเฉพาะบางสูตรที่พระองค์แสดงเนี่ยเป็นการแสดงแบบสัพเพเทศนยะคือเรียกว่าแสดงธรรมมีสองอย่างคือสัพเพเทศกับนิปเพเทศสัพเพเทศนี่เป็นการพูดแบบมีส่วนเหลือนิปเพเทศแสดงแบบไม่มีส่วนเหลือถ้าสูตรทั้งหลายโดยมากแสดงแบบมีส่วนเหลือซะส่วนใหญ่มันถ้าจะเรียนแบบไม่มีส่วนเหลือก็น่นแหละอภิธรรมปีดกนั่นแหละ อภิธรรมปิดอกว่าเป็นคัมภีคัมภีไปเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยแทบไม่มีส่วนเหลือหรือมีเหลือบ้างก็น้อยเต็มทีเนี่ยนะอย่างถ้าใครเรียนมาติกามาจะรู้ว่ากุสลติกะเป็นอะไรเป็นการแสดงธรรมแบบไม่มีส่วนเหลือพอเวทนาติกะแสดงแบบมีส่วนเหลือเนี่ยนะท่านการแสดงธรรมแล้วก็มามาศึกษาในลักษณะนี้ด้วยแต่ว่าพระองค์แสดงครั้งแบบมีส่วนเหลือแบบ ไม่มีส่วนเหลือแสดงโดยโดยนัยะต่างๆคือไม่เลือกนัยะอะไรเพราะว่าพระองค์มีมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการแสดงธรรมใช่ไหมมีจุดมุ่งหมายก็อย่างที่ว่าคงไม่ลืมว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยหรือแปลเต็มๆว่าเรากําหนดรู้ทุกแล้วจะให้ผู้อื่นกําหนดรู้ด้วยเราละสมุทัยก็จะให้ผู้อื่นละด้วยเราทํานิโรธให้แจ้งเราก็จะทําให้ผู้อื่นทํานิโรธให้แจ้งด้วย เราเจริญมรรคแล้วเราก็จะให้ผู้อื่นเจริญมรรคด้วยทีนี้ปัญญาในการกําหนดรู้ทุกของสาวกจะไม่เท่ากันนะนจะไม่เท่ากันปัญญาในการละสมุทัยนี้เท่ากัน น, นะเพราะตัดละกิเลสได้เหมือนกันแต่ว่าไม่สามารถละได้พร้อมทั้งอนุสัยในการทํานิโรธให้แจ้งก็ทําให้แจ้งได้เหมือนกันในการอบรมมรรคก็เจริญมรรคเหมือนกันแต่คุณภาพของมรรคไม่เท่ากัน อุปมาเปรียบเหมือนว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันไหมล่ะตกลงมนุษย์นี่เหมือนหรือไม่เหมือนไม่เหมือนเอาทำไมว่าเหมือนก็มีในส่วนเหมือนแต่ก็มีในส่วนที่ไม่เหมือนเพราะสัตว์โลกก็มีธาตุเป็นอเนกเนี่ยนะทีนี้ความเพียรทั้งหลายถามว่ามีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็ใน เหตุให้เกิดวิริยะสามโพชงมีเป็นสิบในแต่ว่าที่ประทับใจมากก็คือกลุ่มสังเวกขวัตถุเป็นเหตุใกล้แห่งความเพียรเป็นอย่างดีเท่านอย่างคนที่ให้ทานอย่างสมมุติว่าแบบถ้าแบบหยาบๆก่อนนะคนที่ชอบให้ทานส่วนหนึ่งคือเขาเห็นโทษของการของอะไรของความยากไร้ทรัพย์เพราะเห็นเลยว่าผู้ที่ไม่ได้บริจาคทานเอาไว้มากถามว่าเขาเดือดร้อนไหมในเรื่องมหาพูทเนี่ย มหาพูดเนี่ยมหาพูดมันซึ่งสมบัติของโลกอยู่แล้วอะ่ะแต่เป็นคนที่เกิดมาเดือดร้อนมหาพูดที่สุดหนักๆเข้าแผ่นดินจะสร้างบ้านยังไม่มีอย่างนั้นนะต้นไม้ใบหญ้ า, ามันก็ของโลกนี่แหละแต่ไม่มีสิทธิ์ใช้อ่ะห้องน้ําก็มีอะ่ะแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ใช้กับเขาอะ่ะเป็นต้นอันนี้ก็ทั้งๆ ท, ท, ที่สมบัติของโลกอะ่ะแต่ทําไมเราไม่มีสิทธิ์ใช้อะไรกับเขาเลยเสื้อผ้าเขาก็มีขาวางแผงเต็มไปหมดแต่เราหนาวอยู่คนเดียวไม่มีผ้าจะใช้อย่างนี้นะ อันนี้ทําให้เห็นว่าวัตถุของโลกก็ไม่ได้สาธารณะสําหรับโลกแต่เป็นของสาธารณะสําหรับคนมีบุญเพราะฉะนั้นผู้ที่ให้ทานไหลายคนเนี่ยนะที่เรียกว่าปลา ร, ราเพราะเราไม่ได้ให้ทานไว้ก่อนเป็นแน่เราจึงเดือดร้อนเช่นนี้ก็มีนะอย่างอดีตนางอุบลวรรณเถรีเนี่ยอดีตชาติมีอยู่ชาติหนึ่งเนี่ยต้องการใช้ผ้าดอกคํามากผ้าย้อมด้วยดอกคําเพราะเกิดมาเป็นคนจนมากอันจะใช้ผ้าสวยๆไปเที่ยว ง, งานกับเขาก็ยังไม่มี ก็ไปขอแม่แม่ก็บอกไม่มีเอางั้นหนูจะขอไปรับจ้างเขาก็แล้วกันก็ขอรับจ้างบอกทำสามปีสามปีจะให้ผ้าย้อมดอกคํานางก็ทําแต่ว่าประทับใจเจ้านายไม่ถึงสาปีเขาก็เลยให้ผ้าดอกคําก็เลยวันนั้นก็ได้ผ้าย้อมดอกคําอย่างดีก็ไปอาบน้ําเตรียมจะผัดผ้านะเตรียมจะนุ่งผ้าวันนั้นเนี่ยพระพิสุรูปหนึ่งถูกโจรปล้นผ้าไปหมดนะนะก็เลยเอาใบไม้มานุ่งนะนางก็รู้จักว่าเป็นพระนะก็เลย ฉีกผ้านั้นครึ่งหนึ่งให้พระเนี่ยหม่มพระท่านก็แอบไปในที่บงังแล้วท่านก็นุ่งนุ่งมาแล้วนางเห็นแล้วก็เลื่อมใสก็เลยมานาสิการว่าเพราะไม่ได้ให้ทานไว้จึงเดือดร้อนในเรื่องผ้า น, นะก็เลยถวายอีกผืนหนึ่งไปเลยเนี่ยนะแล้วก็ตั้งความปรารถนาขอให้มีผิวพรรณดีให้คนอื่นเห็นแล้วก็ถึงทรงอยู่ในสภาวะตนเองไม่ได้ตอนหลังก็เรียกชื่อว่านางอุมมาทันตีอุ ม, มาแปลว่า หมายว่าใครเห็นนางเข้าเนี่ยเพลอะเลยกําลังกินข้าวอยู่พอมองเห็นนางนะปกติเขาเอาเข้าวใส่ปากนี่ใส่หูแทนอย่างเงนะี้ยเพี้ยนเลยอะค ร, ครื่องเลยนะอย่าว่านี่เลยพระโพธิสัตว์ยังครื่งเลยชาตินั้นอะ่ะก็ดูในอุมมาทันตีชาดกอันนี้คือปรารภความทุกข์ยากในเรื่องผ้านางก็เลยให้ผ้าหรือพระอนุรุธาเนี่ยนะอดีตชาติท่านเป็นนายอันนาภาระเนี่ยนะ คือเป็นคนยากเป็นคนทุกข์เป็นคนลำบากอาชีพที่เรียกว่าเกียยกยเก่ยวย่าขายเกี่ยวย่าขายเกี่ยวญ่าเลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงให้นายเนี่ยนะก็ชีวิตก็ทุกข์มาลำบากตลอดเพรา ะ, ะนั้นตอนหลังก็มามาณสิการว่าเออบางคิดจะให้ทานเนี่ยนะบางครั้งมีพระแต่ไม่มีของจอะทำบุญบางครั้งมีของจะทำบุญแต่ก็ไม่มีพระมารับทานวันนี้ประจวบเหมาะมีทั้งของมีทั้งพระก็เลยทาบุญส่บาตร แล้วก็มน้สีการ์ไอคำว่าไม่มีอย่าได้ยินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพฉะนั้นคนที่ให้ทานส่วนหนึ่งก็คือเห็นโทษของความไม่มีใช่ไหมเห็นโทษของความยากไร้เห็นโทษของความกันดารกลุ่มเหล่านี้ก็จะให้ทานมากขึ้นในตอนแรกๆเป็นอย่างนั้นแต่หลังจากนั้นเขาจะเป็นคนให้โดยอัธยาศัยการให้ทานเนี่ยมันลําบากครั้งแรกๆเท่านั้นเนี่พอให้จนเป็นนิสัยไปก็ไม่ได้เป็นเรื่องไม่ยากอะไรนะให้มากก็เหมือนไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนให้ ให้ห น, หนักเข้าก็เหมือนให้กับไม่ให้ก็เหมือนกับมันเท่ากันไปหมดเพราะว่าไม่ได้ตีในในของอะไรเนี่ยนะก็มีหลายท่านหน้าที่นี้เนี่ยเป็นนักให้ทานที่เรียกว่าบางคนเนี่ยให้หนึ่งวันนะอีกหลายคนให้ทั้งชาติก็ยังโดยวัตถุนับไม่เท่าเลยยางไบางคนให้อยู่ครั้งเดียวเนี่ยเท่ากับอีกคนหนึ่งให้เป็นชาติเลยให้อีกสามชาติก็สู้คนนั้นให้ครั้งเดียวไม่ได้เลยซ้ไปถ้าโดยปริมาณของวัตถุ บางคนนะให้นิดเดียวก็โสมมนัดมากเลยดอกบวบผมดอกเดียวก็โสมมนัดมากอีกคนให้ดอกไม้เป็นกระจดัดกระจัดไม่รู้มากี่กระจัดมาแล้วก็ก็ธรรมาดาเพราะทำจนจนชินซะแล้วเนี่ยนะทีนี้แต่ตอนแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยยากเพราะนนั้นถ้าหากว่ามนานสิการเห็นโทษของของการยากไร้ในมหาพูดเหมือนงันแต่จริงๆรตัดใจสี่ก็คือมหาพูดดีๆีนี่แหละแต่มหาพูดนี่มันแปลกว่าถ้าใครอยากได้มันจริงจนัคนนั้นกลับไม่ได้ จะเอาอย่างเดียวนะเก็บสะสมหมกมุ่นอยู่กับมหาพูดไม่ยอมแจกจ่ายเลยในที่สุดนะต้องเฝ้ามันอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ได้ใช้ด้วยแต่ถ้าคนยิ่งบริจาคก็ลกลับยิ่งยิ่งพอมีกินมีใช้อยู่นะก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนอะไรก็หลายๆท่านนะที่เป็นนักให้ทานหลายคนนี่เขาพูดอย่างนั้นเลยมีโยมคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเขาเกิดมาก็เป็นกะลาสีรับจ้างเป็นลูกเรือบ้างเป็นอะไรบ้างตอนหลังแกให้ทาน แกก็ให้ทานให้เป็นอาชีพเลยเป็นอาชีพนักให้ทานเลให้ไปจนตอนทุกวันนี้เขาเรียกว่ามีเงินเป็นร้อยล้านด้วยซ้ําไปแกเชื่อว่าแกยิ่งให้แกยิ่งมีอะนนั้นที่สีของแกนะมีอยู่โยมคนหนึ่งนะแกก็ก็ไม่ได้มีความรู้ธรรมะอะไรมากวันวันหนึ่งแกจะขับรถไปเที่ยวใส่บาทอันนอาชีพแกคือเที่ยวขับรถใส่บาทไม่เลือกวัดไม่เลือกพระเห็นใส่มดอ่ะก็แกก็ใส่ก็บอกว่าทำไมบอกว่าเพราะ แกยิ่งให้แกยิ่งมีก็ว่างั้นแล้วถามว่าคือจากสถิทิของชีวิตของเขาเนี่ยเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นผลของการให้ทานเขาก็เลยมีความสุขกับการให้มากเมื่อไรเขาไม่ได้ให้เขาก็เดือดร้อนอนะเขาเห็นโทษว่าที่เขาไม่มีเพราะเขาไม่ให้เพราะเขาตนี่เขาจึงเดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี่อันนี้คือเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความเพียรเรียกว่าเห็นโทษของความตะหนีนะตอนหลังก็เพียรที่จะให้ทาน แม้คนรักษาศีลก็เหมือนกันทําไมเขาจึงทนรักษาศีลอยู่ได้พะฉะนั้นพวกความเพียรเนี่ยประกาศว่าขณะใดที่มีการรักษาศีลอยู่เจริญกุศลศีลอยู่ขณะนั้นก็ชื่อว่ามีความเพียรพันธการที่เราจะรักษาศีลนี่ก็เห็นโทษของการทุศีลดูสัตว์ในอบายเมื่อไร่ก็เห็นนั่นเป็นผลของการทุศีลถ้าเราทุศีนเราก็จะเป็นเช่นนั้นแหละถ้าเราทุศีนเราก็จะเป็นเช่นสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนั่นแหละ วันถามโยมเพียรโยมเพียรเน้นเด็กขายพวงมาลัยกลัวไหมก็บอกอันนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แล้วครับเขาบองั้นอบายมันน่ากลัวกว่าตั้งเยอะนะนั่นก็รักษาศีลให้มันดีๆกันแล้วกันเพราะศีลเนี่ยนะถ้าสมาทานรักษาเอาไว้ดีเนี่ยห้ามอบายศีลเนี่ยเป็นตัวห้ามอบายถ้ากลัวอบายก็จงรักศีลเนี่ยนะเหมือนคําว่าพระพิสุรักปาติโมกปาติโมกแปลว่าทําให้พ้นจากอบายตัวป้องกันอบายแล้วก็รักษาเอาไว้ให้อยู่ใน สุขติถ้ารักความเป็นมนุษย์ยังไงยังไงก็จะต่ําความมนุษย์ก็รักษาศีลเข้าไว้ถ้าเป็นมนุษย์แล้วจะกินอะไรก็ช่างเถอะก็ทานก็ไม่ต้องให้อะไรนะนะเก็บไว้แม่ก็ไม่ต้องเลี้ยงหรอพ่อก็ไม่ต้องให้ถ้าถ้าอยากจะทุกข์อยากจกะยากลําบากต่อไปแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะว่าการให้ทานก็พระองค์อุปมาเกี่ยวกับอุปมาเหมือนกับการทำนาเนี่ยนะก็ก็ไปศึกษาในรายละเอียดนั้นไปที่นี้ ผู้ที่จะปฏิบัติกรรมฐานการเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นที่ออกจากวัตฏนะคนนั้นต้องเห็นภัยของวัตฏะถ้าเห็นภัยของวัตฏะได้เท่าไหร่คนนั้นจะเจริญกรรมฐานได้มากคนนั้นจะอบรมวิริยินสีได้ยากได้มากได้ต่อเนื่องเช่นเห็นเดรฉานเมื่อไหร่บอกเรายังไม่พ้นจากสภาพเดรฉานนะ ได้ฟังว่าคนโน้นก็ตกนรกพระเทวทัตก็ตกนรกพระเจ้าอาชาตศัตรูก็ตกนรกนี่นะถ้าเรายังอยู่ในวัตฏะเราก็เป็นเหตุที่จะทําให้ทํากรรมดุดพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นเหตุให้เรายังมีโอกาสทํากรรมเหมือนพระเทวทัตเพราะเราก็ยังปิดอบายเหล่านั้นไม่ได้หรือเห็นพวกเดรชานทั้งหลายเราก็รู้ว่าเออนี่นะคติสองของทิฏฐิทั้งหลายมิจฉาทิฐิทําให้เกิดใน น, นรกกับเกิดเป็นเดรชาเ น, นี่ยเหล่าเดรชาทั้งหลายก็เพราะมิจฉาทิฐินี่แหละ ทำให้ให้เกิดเป็นเดรัจฉานทีนี้ทำยังไงเราจะพ้นจากเดรัจฉานเพราะฉะนั้นทิฏฐิคืออะไรซึ่งทิฐิก็แบ่งเป็นย่อๆก็มีสองใช่ไหมสัตสตะกับสัตสตทิฐิกับอุเฉทัทิฐิแล้วสัตสตทิฐิคืออะไรอุเฉทัทิฏฐิคืออะไรก็มุ่งเพียรภาคเพียรที่จะทำความเข้าใจเพื่อกำจัดมิจฉาทิฏฐิผลเจริญสัมมาทิฐิเพื่อกำจัดมิจฉาทิฐิเจริญสัมมาสังกปปะเพื่อกำจัด มิจฉาสังกปะเจริญสัมมาวาจาเพื่อกําจัดมิจฉาวาจาเพราะเห็นโทษเลยว่ามิจฉามรักเนี่ยเป็นทางนําไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกเป็นทางที่ไปสู่นําเป็นทางที่ก่อให้เฝ้าอยู่ในวัฏฏะนะหมกมุ่นอยู่ในวัฏฏะตลอดไปท่าะะ น, นก็หันมาเจริญอริยมรรคท่า น, นเห็นคุณของการออกจากวัฏฏะเห็นโทษของการเฝ้าวัฏฏะเห็นโทษของการเฝ้าขันห้าเฝ้าอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมเลี้ยงมันด้วยอะ ทั้งเลี้ยงด้วยทั้งเฝ้าด้วยนะแล้วก็ต้องบีบต้องนวดให้นะไม่ยอมมันเขาไม่ยอมมานะเชื่อเถอะเลี้ยงยากจริงๆอ่านะถ้าใครบริหารตนเองให้เป็นสุขหรือเห็นว่าบริหารขันแล้วไม่มีปัญหาแม้ชั่วครู่หนึ่งจะมีอะไรนอกจากความเป็นทารกเขาบงั้นนะมีอยู่ในสูตรนึงนะถ้าบริหารขันหรือบริหารกายนี่นะแล้วดูมันดีเยี่ยมไปหมดเลยอ่านะจะมีอะไรนอกจากความเป็นทารก ภาละนะาะก็แปลว่าทารกนะั่นแหละคือความโง่เขลาวความเป็นเด็กๆดีๆนี่แหละอันนั้นลุ่มหลงอย่างเต็มที่เลยนะนกุลปิตูสูตรเนี่ยนะก็ดูในะเล่ม27สูตรแรกเลยแหล ะ, ะสังยุตติกายขันธวารวักเนี่ยนะนะนถ้าใครใครที่รู้จักกายนี้ดีรู้จักขันธ์อันนี้ดีก็มีหมอท่านหนึ่งก็บอกว่าโอ้โหโรคมันมากขนาดนี้นะไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่กันได้ยังไงะาัน นะหมอคนหนึ่งก็บอกโอ้โหลำไส้มันมากขนาดนั้นมันไปขดอยู่ในท้องไนดะ้ยังไงนนก็ฟังหมอก็คุยก็คขำๆดีเหมือนกันนะมันก็เป็นอย่างจริงอย่างคุณหมอว่านั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเห็นโทษของวัตะเท่าไหร่นะจักเจริญวิริยิสีได้มากเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือเห็นโทษของวัตะเห็นอ น, นิสงของการออกจากวาตัตฏะแล้วก็สาคัญที่สุดถ้าอยู่ในวะัะมีโทษอะไร อ น, น่โทษของผู้ที่เกิดมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์มีโทษอะไรบ้างความเกิดก็นําไปสู่ความแก่ทีนี้ความบกพร่องของสังขารทั้งหลายก็เรียกว่าความเจ็บป่วยทีนี้มันบกพร่องรูปนะมันบกพร่องไปถึงน้ำด้วยส ม, มุทภาพกายเป็นแผลรูปเป็นแผลทุกขากายยวิญญาณก็จะเกิดตามมาใช่ไหมถ้ารูปบกพร่องน้ำก็บกพร่องวัตถุทั่วทวไปที่น่าปราถนาเสียหายจิตใจก็เสียหาย พันท่าใครที่ติดข้องในวัตถุมากๆเนี่ยนะที่จะไม่ทุกข์และโทมานต์หาได้ยากก็คือผลของการติดข้องในรูปทั้งหลายก็ก่อให้เกิดทุกข์และโทมนั์มันทุกข์โทมานต์อุปาญาตก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องถ้ามีขันท่านะเราคิดดูนะวันหนึ่งเนี่ยเรารับใช้ขันท่าตั้งแต่ตื่นไปจนถึงหลับ หลับแล้วก็ยังเตรียมบริหารขันหน้านะพ่วงมันหลับนะกว่าจะตื่นอีกครั้งต้องกลางมุงให้ต้องหาผ้าห่มให้ต้องอู้ประคับประงมเป็นอย่างดีเลยนีตื่นเช้ามาก็เริ่มอุปถากขันห้าต่อไปเนี่ยนะอุปถากขันภายในอุปถากขันภายนอกถ้ามีหลายๆขันถ้ามีสักห้าสิบขันให้ดูแลจะว่าไงบางคนเนี่ยมีลูกน้องห้าสิบคนก็ดูแลห้าสิบขันเนี่ยนะที่ขันตัวเองไม่พอแล้วไปแบกขันโน่นขันโอ้ทุกขนาดเลย นี่ก็มาดูลักษณะหาระเลยเนาะในหน้า39มลักษณะหาระนี้เป็นหาระที่มีใช่มากในอัตถกาถาอัตถกถาท่านชอบไขโดยยกลักษณะหาระไปแสดงแม้กระทั่งในอัตถกถามูลตริยศาสตรก็ยกลักษณะหาระไปแสดง ในปฏิสัมพิทาเนี่ยนะอัตถกาถาวิมุตติยานอุเทศ น, นะนะก็ยกลักษณะหาระไปแสดงแล้วก็ยังมีที่อื่นอนอีกที่ยกลักษณะหาระไปแสดงเพราะท่านถือว่าเป็นหาระที่ครอบคลุมเนี่ยนะรครอบคลุมที่ที่เรียกว่าพูดแต่บางอย่างแต่ย่นย่อก็เพียงพอแล้วที่จะรู้อย่างกว้างขวางในบรรดาหาระเหล่านั้นลักษณะหาระเป็นไงคาถาว่าวุฒำหิเอกธรรมเม ที่แปลว่าเมื่อท่านกล่าวธรรมะอย่างหนึ่งเป็นต้นนั้นชื่อว่าลักนณหาระลักนณหาระนั้นกําหนดอะไรกําหนดดังนี้คือธรรมะเหล่าใดมีลักษณะเหมือนกันเมื่อท่านกล่าวธรรมะอย่างหนึ่งแห่งธรรมะเหล่านั้นธรรมะที่เหลือก็เป็นอันกล่าวแล้วอย่างเช่นใช่ไหมลักษณะเหมือนกันเช่นรูปปณะลักษณะเหมือนกันเนี่ยนะรูปทั้งหมดมีลักษณะคือรูปปณะลักษณะเหมือนกันถ้ากล่าวรูปหนึ่ง รูปที่เหลือก็เท่ากับกล่าวแล้วหรือถ้ากล่าวนามมาทำอย่างหนึ่งนามมาทำที่เหลือซึ่งมีนมะลักษณะน้อมไปเนี่ยนะน้อมไปเพื่อรู้อารมณ no. ์นามมาทำเหล่านั้นก็ชื่อว่ากล่าวแล้วถ้ากล่าวกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งกุศลที่เหลือเท่ากับกล่าวแล้วอย่างเช่นฮิริโอตปะเนี่ยนะเป็นเทวธรรมนะเป็นธรรมที่คุ้มครองโลกถ้ากล่าวฮิริโอตปะเนี่ยนะกุศลธรรมทั้งหมดชื่อว่ากล่าวแล้ว หรือถ้ากล่าวคำว่ามีสติอย่างเดียวก็ชื่อว่ากล่าวธรรมะที่เหลือทั้งทั้งหมดแล้วเพราะนั้นอะไรที่มีลักษณะเหมือนกันก็ชื่อว่ากล่าวแล้วแม้กระทั่งอกุศลก็เหมือนกันถ้ากล่าวอากุศลอันหนึ่งกูอกุศลที่เหลือก็ชื่อว่ากล่าวแล้วนี่มาดูตัวอย่างที่พระมหากัจยนะยกจากพระสูตรมากล่าวว่าภิกษุทั้งหลายจักสุเป็นสิ่งที่ไม่ตั้งมั่นมีขณะสั้นมีขณะน้อย มักเสื่อมเสียเป็นศัตรูเป็นทุกข์มีการเสียไปวันไวเหมือนผู้แสดงเออเอาผู้แสดงนี่ใครดีผู้แสดงก็คือวงการมายาเรียกวงการอะไรก็คือเหมือนผู้แสดงก็คือมายาผู้แสดงเนี่ยคำว่าแสดงเนี่ยแปลว่าไม่จริงใช่ไหมนั่นก็อย่างวงการภาพยนตร์เรียกวงการมายาไม่ใช่เลยก็วงการมายา มันไอ้ น, นี่เหมือนมายากลนั่นแหละแต่นี่เขาแปลออกมาเป็นเหมือนผู้แสดงมีการปรุงแต่งเป็นผู้ฆ่าอยู่ท่ามกลางศัตรูโอตาของเราเป็นอย่างนี้หนึ่งนะไม่ตั้งมั่นขณะสั้นสั้นสั้นหรือไม่สั้นเนี่ยดูคิดว่าจะใช้อีกกี่ปีนะมันสั้นเต็มทีนะตัวตาเองบางทีก็สั้นยังไม่ต้องใช้แว่นช่วยอย่างเงี้ยนะตัวมันเองก็อายุสั้นมันก็สายตาสั้นอีกต่างหาก มีขนาดน้อยมักเสื่อมเสียก็อย่างที่กล่าวว่าโรงพยาบาลคุณหมอเคยอยู่เนี่ยนะแผนกที่ไปใช้บริการจักษุนี่เยอะไหมเรียงกันเป็นแถบเลยนะรอคิวจอคิวไปซ่อมตาเนี่ยนะมันก็มักเสื่อมเสียใช่ไหมเดี๋ยวก็เสียเพราะสาเหตุที่ทําให้ตาเสียมีมากมายหลายประการแล้วก็เป็นศัตรูศัตรูยังไง ตาเรานะแ ก, แกว่งหาที่เจ็บใจมาเรื่อย ๆ, ๆไปเที่ยวสอดส่องนะไอ้ตรงไหนดีๆแล้วก็ไม่ค่อยดูนะตรงไหนที่จะทําให้มันทรมานใจเนี่ยไปชอบดูแถวๆนั้นมาลนะนี่นไปดูอะไรที่มันสร้างความทุกข์ให้มากยิ่งชอบดูใหญ่เลยนี่นยิ่งสอดสายไปหาดูไอ้ประเภทนั้นแหละประเภทที่สร้างความเดือดร้อนเนี่ยนะนั้นตาเนี่ยตาของเราเนี่ยแหละเหมือนศัตรูของเราไปเที่ยวดูไอ้สิ่งที่มันสร้างทุกข์คลั่งหรือความเดือดร้อนให้บ่อยๆบ่อ ย, อยๆนี่นะ แล้วก็ตาเองก็เป็นทุกข์เพราะเป็นสังขาระทุกข์กันนะเพราะสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งโทมนัทไม่ใช่น้อยมีการเสียหายแล้วก็หวั่นไหวใช่ไหมเขาบอกว่าที่ที่กล่าวกันว่าตาเนี่ยการกรอกตาเนี่ยนะเป็นการพักผ่อนน้อยที่สุดเออตาเนี่ยแม้กระทั่งฝันตาก็ยังกรอกอยู่ใช่ไหมอิริยาบทที่ขยับทันความฝันเนี่ยมีตาอยู่อย่างเดียวกรอกไว้ด้วยเหรอนย มันตาเนี่ยกรอกทันความฝันที่สุดนะนะวิญญาตอื่นๆไม่ค่อยทันนะวิญญาตคือเนี่ยกรอกตากลอกไปกลอกมาเนี่ยมันทันฝันที่สุดเพราะฉะนั้นมันหวันไหวนะตัวมันเองก็ไม่ได้อยู่นิ่งมันก็หวันไหวแล้วก็เป็นมายากลนนะก็ชั่วคราวอ่ะนะมีการปรุงแต่งนะถูกแต่งเนอย่างเช่นมีกี่รูปในตัวตาจริงๆอ่ะคือจากครูทัศกะใช่ไหมแต่ก็ต้องอาศัยกายทัศกะภาวะทัศกะ อาศัยอาหารชรูปอุตชรูปจิตแต่ชรูปภาวะรูปมาเกี่ยวข้องมาช่วยเหลืออุปถัมภ์เยอยะแยะไปหมดเลยแต่ก็เป็นผู้ฆ่าคําว่าผู้ฆ่านี่หมายความว่าผู้ใดถ้าติดข้องในตาเนี่ยนะที่จะไม่เดือดร้อนเพราะตาไม่มีนะมันฆ่ากุศลนะก็อย่างกล่าวว่าเอาตามาอ่านพระไตรปิฎกเอาไปอ่านอย่างอื่นไหนมากกว่ากัน เอาตาไปดูเจดีก็เอาตาไปดูทีวีอันไหนมากกว่ากันเงี้ยนะเราก็ดูแล้วว่าทําลายเราขนาดไหนอยู่ท่ามกลางศัตรูนะก็ศัตรูของตานี่เยอะนะโดยที่สุดแม้กระทั่งฝุ่นละอองก็เป็นศัตรูของตาเนี่ยนะอยู่ท่ามกลางศัตรูจริงๆก็ลองอะไรสวยๆเนี่ยเอาตาไปจิ้มดูสินะหรือเอามาจิ้มตานี่เดือดร้อนหมดเลยนะเพราะฉะนั้น เพราอยู่ตาเนี่ยมีศัตรูแวดล้อมเต็มไปหมดเลย